อีกปัญหาหนึ่งแล้วนะอมาราทวีปัญหานางอมาราหรือนางอมรเ น, นี่ยนะเป็นชื่อของมเหสีของพระมโหสถบัณฑิตหรือภรรยาของมโหสถบัณฑิตนั่นเองพระเจ้ามิลินยกขึ้นมาถามก่อนว่าพระคุณเจ้านากเกษตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จความข้อนี้ไว้ว่าสเจลเพถขนังวารหัววา นิมันตะกลงวาเปีละเพทะตาที่สังสัพเพวะอิทธิกะยิรงนุปปาปังอันยังอละาธาเปทะสัปปินาสัพทิงนเนี่ยแปลว่าสตรีทุกคนเลยทีเดียวถ้าหากว่าได้ขณะหรือได้ที่รับหรือได้ผู้ชายผู้มาเกี้ยวมาเกี้ยวเนี่ยมาจีบเนี่ยผู้เป็นเช่นกับสามีนั้น ก็จะพึงทําความชั่วหมายว่าถ้าได้โอกาสเจอเรียกว่าได้ช่องได้ที่ลับหรือได้ผู้ชายเท่ากับสามีหรือเหนือกว่าสามีเนี่ยนะจะทําชั่วบางครั้งเนี่ยนะบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้ใครอื่นแล้วก็ทําชั่วแม้แต่กับบุรุษง่อยเปรีย้ยนะในบางกรณีก็มีนะแต่แต่แต่แ ต, แต่พวกท่านก็ยังกล่าวไว้อีกแห่งหนึ่งว่าหญิงภริยาของมโหสถบัณฑิตชื่อว่านางอมารา ถูกมโหสถบัณดิตทิ้งเอาไว้ที่กระท่อมเมื่อนางผู้อยู่ห่างผัวผู้นั่งอยู่ในที่รับตามลำพังถูกชายอื่นใช้ทรัพย์ตั้งพันเล้าลมอยู่ก็ไม่ยอมทาชั่วรับไม่ยอมทาชั่วไม่ยอมรับชายผู้เทียบเสมอกับพระราชาเป็นสามีขนาดเท่าเหมือนพระราชาก็ยังไม่เอาเลยะนะเพราะฉะนั้น พระคุณเจ้าถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสตรีทุกคนเลยแลถ้าได้ขณะได้ที่รับได้ผู้ชายที่เช่นกับสามีแล้วก็ต้องทำชั่วเป็นต้นเนอันนี้มันก็ต้องผิดสิถ้าจริงนะคำที่ว่าหญิงภริยาของมโหสถเนี่ยไม่ยอมทำชั่วอันนี้ก็ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าหญิงภริยาของมโหสถเนี่ยนะไม่ยอมทำชั่วจริง พระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าสตรีทุกคนเลยถ้าได้ขณะแล้วก็ต้องทำชั่วเป็นต้นเนี่ยนะปัญหาข้ออันนั้นก็ไม่ถูกต้องปัญหาแม้ข้อนี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดพระนาคเษงก็ตอบว่าขอถวายพระพ ร, พรมหาบาีติพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวนะ้ณที่ว่าสตรีทุกคนเนี่ยถ้าได้ขณะเป็นต้นเนี่ยก็ย่อมทาชั่วเนี่ยอันนี้จริง แล้วก็อีกที่หนึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่าภรยาของมโหสถไม่ยอมรับชายอื่นอันนี้ก็จริงขอถวายพระพรหญิงนั้นพอถูกเขาใช้ซับกั้งพันเล้าลมอยู่ก็น่าจะทำกรรมชั่วกับชายผู้เป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าได้ขณะก็ดีได้ที่รับก็ดีหรือว่าแม้ได้ชายผู้มาเกี้ยวเป็นผู้เช่นกับสามีก็ดีแต่ว่าหญิงนั้นก็ไม่ยอมทา ขอถวายพระพรหญิงชื่ออมารา น, นั้นเมื่อใคร่ครวนไปก็มองไม่เห็นขณะไม่เห็นที่รับไม่เห็นแม้ชายผู้มากเกี่ยวผู้เป็นเช่นกับสามีก็คือไม่มีชายใดยดีกว่าสามีของนางแล้วในความรู้สึกของนางคือก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยนะที่มโหสถเนี่ยเที่ยวไปเนี่ยนะเที่ยวไปตามชนบทก็ไปเจอลูกสาวเศรษฐีตกยากคนหนึ่ง ซึ่งเห็นแล้วก็ชอบเลยเนี่ยนะก็มีการไปเกี่ยวข้องกันในที่สุดก็อขอแต่งงานด้วยนี่นะขอแต่งงานก็พานางอมาราเนี่ยกลับไปสู่บ้านเมืองของตัวเองนางอมาราก็ไปด้วยหมวสดบัณฑิตพอได้นางอมาราเป็นพระยาก็พาไปสู่นครแล้วก็ตัวะนะก็เสร็จแล้วก็ไปยังเรือนของตนพอไปถึงนครก็กลับพานางไปพำนักอยู่ที่เรือนของคนเฝ้าประตูก่อนส่วนตัวมโหสถเองนี่ก็กลับไปอยู่ที่เรือนของตน ต้องการจะลองใจก่อนคือเนื่องจากว่ามโหสถเนี่ยรู้ตัวว่าอนาคตของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรชีวิตของตัวเองนั้ะอนาคตต่อไปนั้นจะต้องมีคนคนที่ไปอยู่ด้วยต้องเชื่อใจได้จริงๆโดยเฉพาะคนที่เป็นภรรยาเนี่ยนะเพราะรู้เพราะเป็นคนที่คํานวณออกอยู่แล้วว่าชีวิตของตัวนี่จะต้องเป็นอย่างไรจะต้องมีคนที่ตัวเองวางใจได้ขนาดไหนมาเป็นคู่ครองเนี่ยนะก็เลย เอานางไปพักไว้ก่อน พ, พักไว้ที่บ้านคนใช้เนี่ยนะบ้านคนเฝ้าประตูส่วนตัวเองก็ประสงค์จะทดสอบความซื่อสัตย์จงรักภักดีของนางอมราก็เลยจึงจ้างวานชายอื่นให้ตบนะให้แต่งตัวประดับประดาเสียอย่างดีเหมือนพระราชาถือเงินหนึ่งพันเหรียญเนี่ยนะไปปลาปล า, า, ป ล, าปลงนางปลาวปลาโรมนางอมราคนเหล่านั้นพยายามอยู่ถึงสามครั้งก็ไม่สําเร็จได้ยินแต่คําพูดว่า รัพย์ที่เสนอให้นั้นเทียบกันแล้วก็ไม่มีค่าเทียบได้กับธุลีที่ติดเท้าสามีเงินพันนั้นไม่ราคาไม่ถึงฝุ่นที่ติดเท้าเลยแั้นในครั้งที่4พระโพธิสัตว์ก็ให้พาตัวมายัางเรือนนะส่งใครไปก็แล้วนางไม่ยอมทั้งนั้นแหละก็พานางอมารานี่มายัางเรือนของตัวเองนางอมารามาถึงเห็นพระโพธิสัตว์ผู้แส้งแปลงกายเป็นชายอื่นนะคือพระโพธิสัตว์กับนางอมาราเนี่ยเจอกันในฐานะคนยาก นะพระโพธิสัตว์ทำตัวเป็นคนจนตลอดเลยไม่เคยบอกตัวเองว่าเป็นลูกเศรษฐีเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาราชการกับพระราชาไม่เคยบอกตัวเองตามเป็นจริงนะซึ่งเหมือนกับว่าปกปิดนางอมราไว้ตลอดเลยก็พูดแต่ความว่าตัวเองเป็นคนยากคนจนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะพระก็พ อ, อให้จ้างให้คนอื่นไปลองดูตั้งสามครั้งแล้วก็ไม่ไมนะ่นางก็ยังมั่นคงอยู่ฝ่ายตัวเองเนี่ยก็มา แต่งแค่ว่าเปิดเผยตนดำเป็นจริงนั่งซึ่งมันก็เหมือนกับไอภาพที่ก่อนหน้านั้นที่เคยเห็นกันนะก็แท่งแปลงกายเป็นชายอื่นแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าประดับประดาด้วยเครื่องประดับที่มีค่าอย่างยิ่งยืนอยู่บนกองสมบัติก็จำไม่ได้เรียก <c oughs> ว่านึกว่าตัวเองมีสามีเป็นคนยากใช่ไหม <c oughs> ก็เลยไม่มีใจหวั่นไหว ในความโออาสง่างามของพระโพธิสัตว์และในทรัพสมบัติเหล่านั้นตัวเองก็ไม่หวั่นไหวเลยนะไม่ไม่คิดจะต้องว่าจะต้องไปเอาอะไรหรือต้องอยากได้อะไรทว่านางนั้นกล่าวกลับกล่าวตำหนิพระโพธิสัตว์ข้อที่ในพบก่อนเนี่ยนะชาติที่แล้วเนี่ยโอ้ยทบุญมามากนะรู้จักทาบุญชาตินี้จึงได้มีความเป็นคนมั่งคัง่งมีทรพัพย์เนนตาลชนี แต่แล้วในพบนี้กลับคิดจะทําแต่อกุศลเอาเมียคนอื่นมาเป็นเมียตนประพฤติผิดในปริยาของผู้อื่นอนาคตจะตกนรกเนี่ยนะก็ซ้อนให้เลยนะพระโพธิสัตว์เห็นประจักษ์ในความมั่นคงของนางเห็นความไม่โลเล ข, ของนางอมาราก็เลยเลิกทดสอบยอมรับนางอมาราไว้แต่โดยดีเนี่ยนะ ก, ก็แต่งงานด้วยใ น, นยที่สุดแต่ก็มีความจําเป็นมากเลยนะว่าถ้าพระโพธิสัตว์ไม่ได้นางระดับนางอมาราเนี่ย เหตุการณ์ในมโหสถบัณฑิตมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะจะคุมคุมครอบครัวไม่ได้เพราะว่าพระโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้ที่มีศัตรูค่อนข้างรอบด้านคนที่มีความสามารถพิเศษหลายๆอย่างอยากคิดว่ามีคนชื่นชมอย่างเดียวจะมีคนที่คอยคเรียกอะไรนะกลัจัดจุดอ่อนเนี่ย น, นะโดยแง่มุมต่างๆเข้าหน้าบ้านไม่ได้ก็เข้าหลังบ้านเป็นต้นเนี่ยพยายามที่จะสร้างความเสียหายให้โดยประการต่างๆนั้นพระโพธิสัตว์นั้นผู้ที่จะมาเป็นคู่ครองนั้นจึงมีการ คัดเลือกแล้วก็เลือกเฟ้นมีการทดสอบหลายประการด้วยกันเนี่ยนะเพื่อที่จะได้รู้ว่ามีความมั่นคงขนาดไหนทีนี้ฝ่ายพระพนาเกษตรก็อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับนางอมาราว่าเหตุผลหลักที่นางอมาราไม่ยอมประพฤติกับชายอื่นที่ที่ที่ได้รับการว่าจ้างมาเนี่ยนะอธิบายว่า ขอถวายพระพรหญิงชื่อว่าอมรานั้นน่ะเมื่อใคร่ครวนไปก็มองไม่เห็นขณะที่จะทําความชั่วไม่เห็นที่รับพอที่จะทําความชั่วหรือแม้กระทั่งผู้ชายที่มาเกี่ยวผู้เป็นเช่นสามีก็ไม่มีก็ถือว่ามองว่าสามีเนี่ยดีสุดสุดแล้วเนี่ยนะเหมือนว่าดีที่สุดแล้วจะต้องไปเอาใครอีกมั้น อธิบายตามลำดับว่าข้อแรกก่อนที่ว่านางไม่เห็นขณะที่จะทําความชั่วว่านางอมารา น, นั้นอ่ะเพราะกลัวการติเตียนในโลกนี้จึงมองไม่เห็นขณะที่ตัวเองต้องทําชั่วเพราะทําชั่วไปเนี่ยนะถูกด่าแน่นอนงานนี้อันนี้ข้อที่หนึ่งะโลกนี้เสียชื่อตลอดชาติข้อสองเพราะกลัวต้องตกนรกในโลกหน้าจึงมองไม่เห็นขณะที่ต้องทําชั่วนะโลกนี้ก็เดือดร้อนโลกหน้าก็ ก, ก, ก็สามก็คิดว่ากรรมชั่วมีผลเผ็ดร้อนมันเจ็บปวดเกินไปในอนาคตที่ต้องทําะนะก็เหมือนกับว่าเห็นอะไรผลไม้ที่มีดูเหมือนมีรสหวานอร่อยแต่ว่ากินแล้วต้องตายหรือว่าเจียนตายเนี่ยนะต้องเรียกว่าถูกหามเนื้อตัวเละเทะไปหมดเลยก็ไม่ยอมเนี่ยนะหรือเพราะต่อไปบอกว่าเพราะไม่ต้องการจะสละมโหสถบัณฑิตผู้เป็นที่รักจึงมองไม่เห็นขณะนะ คือนางคิดว่าถ้าหาว่านางไปเอากระชายอื่นเมื่อไหร่เนี่ยถือว่าจบกันกันกบมโหสถแต่ไม่ต้องการจะจากมโหสถบัณฑิตแล้วก็ต่อไปเพราะมีความเคารพต่อมโหสถบัณฑิตผู้เป็นสามีคือคื อ, คอยังไงก็เคารพอยู่แล้วเนี่ยน ะ, ะแล้วก็ต่อไปนางเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อพระธรรมก็คือนางเนี่ยอ่อนน้อมต่อกุศลกรร ม, มบทสิบนางรักษากุศลกรรมมาบทสิบพนางจะไปทําอย่างนั้นได้อย่างไร ข้อเพิ่มอีกนิดหนึ่งที่บอกว่านางไม่ต้องนางเนี่ยนะไม่ต้องการจัดสละมโหสถบัณฑิตผู้เป็นที่รักเนี่ยนะถามว่าทําไมนางจึงไม่ต้องการสละบเพราะว่าถ้านางประพฤติผิดกับคนอื่นนางรู้เลยยังไงก็ต้องแตกจากมโหสถถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะว่าโมโหสถบัณฑิตเนี่ยหลอกไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคือเก่งเกินกว่าที่ที่สมมติมว่าตัวเองจะทําชั่วสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะปกปิดโมโหสถบัณฑิตสําเร็จเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนางเชื่ออยู่เลยว่า ถ้าเกิดล่วงกับชายอื่นเมื่อไหร่ก็ต้องจากกันอย่างเดียวนั้นก็ไม่ยอมจะจากเพราะว่ารู้เลยว่าความมโหสถเนี่ยฉลาดถึงขนาดว่ายังไงก็ปิดไม่อยู่อยู่แล้ว น, น, นะนะข้อต่อไปเพิ่มบอกว่านางเป็นผู้ไม่ต้องการทําลายกรรมที่ควรทําคือกุศ ล, ลกรรมมาบทจึงมองไม่เห็นขณะที่ต้องไปทําชั่วสรุปว่านางอมารานะนะั้นมองไม่เห็นขณะ ด, ด้วยเหตุผลหลายประการยกตัวอย่างคร่าวๆมาแปดอย่างเลยนางก็เลยไม่ไม่ไปผิดอะไรกับชายอื่น ข้อแรกนะกลวติเตียนสองชาติหน้ากลัวตกนรกสามคิดว่าความชั่วมีผลเผ็ดร้อน4ไม่ต้องการจากผู้ที่เป็นที่รัก5เคารพสามีมาก6นางเคารพในธรรมเจดติเตียนความเลวอยู่แล้วนางเป็นคนที่ตำหนิติเตียนความชั่วร้ายอยู่แล้วแล้วก็8ดนางไม่ไม่ต้องการทำลายกุศลกรรมที่ควรทำเนี่ยนะไม่ต้องการจะทำลายบุญกุศลนั่นเอง อันนี้เหตุผลที่บอกว่านางไม่เห็นขณะเลยที่จะทําชั่วก็คือคนมีธรรมนั่นเองนะทีนี้ต่อไปนางอมารานั้นไม่มีที่รับที่จะทําความชั่วได้อธิบายว่านางใคร่ครวญแล้วมองไม่เห็นแม้ที่รับในโลกก็เลยไม่ไ ม, ไม่ทําชั่วไม่ทําชั่วไม่มีที่ไหนที่มันรับพอจะทําบาปได้เลย เพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าได้ที่รับจากพวกมนุษย์คนมองไม่เห็นก็จริงแต่ก็ไม่พ้นจากพวกอามนุษย์คนมองไม่เห็นผีก็มองเห็นเหมือนกันเถิดถ้าหากว่าผีไม่เห็นนักบวชผู้รู้จิตของผู้อื่นก็มองเห็นถ้านักบวชผู้รู้จิตผู้อื่นไม่เห็นเทวดาที่รู้จิตผู้อื่นก็เห็นนะถ้าหากว่าเทวดารู้จิตผู้อื่นไม่เห็นเป็นต้น เขาบอกว่าถึงอย่างไรก็ไม่ได้ที่รับพอที่จะทำบาปได้ถ้าหากว่าได้รับได้ที่รับพอที่ตนจะทำบาปได้ถึงอย่างไรก็ไม่ได้ที่ททาาทททรับพอที่จะเสพอสัตย์ทำได้หมายคามว่าถึงเออพอคิดเป็นบาปได้นะแต่ก็เกินกว่า น, นั้นอีกไม่ได้บางอย่างก็ได้แค่คิดแต่ว่าเลยจากความคิดไปแล้วทำไม่ได้นางอมาราไม่ได้ที่รับด้วยเหตุหลายอย่างเห็นปาช น, นี้จึงไม่ยอมทาชั่วแปลว่านางคิดมาก คิดมากจนทําชั่วไม่ลงบางั้นทําไม่ลงเหมือนกับบางคนเนี่ยทำไม่ได้จริงๆหนึ่งไม่มีที่รับนะทําไปแล้วใครก็รู้ถ้าคนไม่รู้อมนุษย์ก็รู้ท่านอมนุษย์ไม่รู้นักบวชผู้รู้จิตผู้อื่นก็รู้ถ้านักบวชผู้รู้จิตผู้อื่นไม่รู้เทวดาก็รู้สรุปรวมยังไงก็หาที่รับไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยนะถ้าคนอื่นไม่รู้ใครใครบ้างตัวรู้ไหมล่ะ เอาตัวไม่ใช่ไม่ใช่คนหรือไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตพอที่จะรับรู้ความเลวร้ยายได้หรือเพราะฉะนั้นก็ยังเคารพตนพอไม่พอที่จะทำความชั่วไม่พอที่จะเสพอสสัตว์ทำได้อันนี้เป็นเหตุผลว่านางหาที่รับที่จะทำชั่วไม่ได้เลยไม่รู้จะไปทำชั่วตรงไหนไม่มีพอที่จะแอบทำชั่วได้เลยแล้วก็สุดท้ายที่บอกว่า ไม่เห็นว่าผู้ชายใดจะดีเท่าเช่นกับสามีหรือเหนือกว่าสามีของตัวเองอีกแล้วบอกว่านางอมารานั้นใคร่ครวญถึงชายแม้ที่มาเกี่ยวแล้วมาเกี้ยวแล้วไม่ได้เป็นผู้ชายเสมอเหมือนสามีนั้นจึงไม่ยอมทาชั่วแสดงว่านางรู้จักสามีของตัวเองเป็นอย่างดีว่ามีคุณสมบัติอะไรในตัวบ้างขอถวายพระพรมหาบพิตรมโหสถบัณฑิตเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์2ีดเนี่ยนะ มีคุณสมบัติประจําตัว28ประเภทเนี่ยนะที่หาได้ยากความเต็นผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ28อย่างอะไรบ้างขอถวายพระพรมโหสถบัณฑิตเป็นคนกล้าหาญอันนี้ข้อแรกก่อนนะคนกล้าไม่ใช่เป็นคนธรรมดานะไม่ใช่เป็นคนขี้ขลาดอะไรเลยไม่ใช่เลยข้อสองเป็นคนที่ละอายต่อความชั่วมีฮิริอายบาปเกลียดบาปเนี่ยนะข้อสเป็นคนมีโอตตะปะเกรงกลัวต่อบาป ข้อสี่มีพวกพ้องมากะนะเขาไม่ใช่เป็นคนที่แบบอะไรนะตาของเขาเหมือนสายตาสับประรดเหมันแต่มีคนที่เห็นแทนเขาเนี่ยมากมายอ่ะนะคือคือเขาเขาต้องการข่าวอะไรเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยซึ่งถ้าใครอ่านมโหสถชาดกแล้วจะรู้ว่ามโหสถเนี่ยมีเหมือนว่ามีคนอ่ะดูแลให้อะไรให้เขาทุกอย่างหมดรเพราะเขาตำแหน่งของเขาเนี่ยใหญ่เหนือพระราชาร้อยเอ็ดหัวเมือง เขาเขาเป็นไม่เป็นลูกเศรษฐีก็จริงเป็นอะไรก็จริงแต่ว่าในเชิงธรรมดาทั่วไปแล้วเขาควบคุมระบบราชการแผ่นดินในยุคนั้นเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยนะกันเขามีพวกพ้องมากเลยนะแล้วต่อไปเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมิตรเพื่อนเยอะมากหมายความว่าคนที่ถวายชีวิตให้เขาก็เยอะแล้วก็ผู้ที่เป็นกาลยานมิตรที่คอยโอวาสสั่งสอนมโหสถมโหสถก็มีมากเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมดาทั่วไปอยากคิดว่าปกปิดอยู่เลยอย่างนั้น แล้วก็ต่อไปมโหสถเป็นคนที่มีความอดทนเนี่ยนะขันติของท่านเป็นเยี่ยมความอดทนของมโหสถเนี่ยใครไปศึกษาแล้วจะรู้เขาเป็นคนอดทนจนได้อะนะจะอยู่ใช้ชีวิตในความทุกข์ยากระดับไหนเขาก็ทนได้หมดแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนมีศีลจะด้วยเหตุผลใดมโหสถก็ไม่ทําชั่วมโหสถนั้นท่านเก่งถึงขนาดว่าสงครามเกิดขึ้นท่านยุติสงครามได้ไม่มีการฆ่ากันเลยนะท่านมีศีลดีขนาดนั้น แล้วก็แปดท่านบอกว่ามีปกติพูดแต่คำจริงเนี่ยนะท่านไม่มู่สาวาตต่อไปถึงพร้อมด้วยความสะอาดก็คือกายกรรมท่านสะอาดวจีท่าวจีกรรมท่านสะอาดมโนกรรมท่านสะอาดเนี่ยนะแล้วก็ต่อไปท่านไม่มักโกรธเนี่ยนะไม่ก็แปลว่าท่านไม่หยิบยกมามาไปเจอใครก็พูดถึงแต่ความเลวคนอื่นนี่ไม่มีเพราะคนมักโกรธเนี่ยจะนึกจำได้แต่ความเลวของคนอื่นเนี่ยนะ แล้วก็ต่อไปท่านเป็นคนที่ไม่เย่อหยิ่งก็คือไม่ลำพองนั่นเองแล้วก็ต่อไปท่านไม่มีใจริษยาคือคือถ้าคนอื่นจะได้ดีเนี่ยท่านช่วยให้คนอื่นได้ดีเลยท่านจะไม่มีการอะไรนะให้คนอื่นตกต่าลดความดีของคนอื่นไมมท่านมุดที่ตากับคนอื่นท่านท่านไม่ริษยาท่านไม่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วเดือดร้อนท่านมีความสุขที่คนอื่นได้ดีแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามเนี่ยนะ แล้วก็เป็นผู้ที่รู้จักหาทรัพย์แล้วก็มีสังคหาวัตถุรู้จักสงเคราะห์ผู้อื่นสงเคราะห์บางอย่างก็สงเคราะห์ด้วยการให้สงเคราะห์ด้วยทานปิยวาจาด้วยคําที่ไพเราะอัตเจริยาทำให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือให้เขาได้รับประโยชน์แล้วก็สมาณาตาตาและเป็นผู้รู้จักแบ่งปันเนี่ยนะเฉลียฉล่ยเฉี่ยจริงๆนะโมโหสถเนี่ยรู้จักเฉลีย่ยความดีออกไปแม้กระทั่งชื่อเสียงเนี่ยนะเขามีอาจารย์มีชื่อเสียงในสมัยนั้นอยู่4ท่าน นนะมีอาจารย์ที่เก่งๆอยู่4ท่านแล้วก็หมโห OS สถเก่งที่สุดหมโห OS สถไม่เคยเอาดีเข้าตัวแต่เพียงผู้เดียวเลยจะเฉลีย่ยแม้แต่ได้บําเหน็จได้รางวัลอะไรก็จะเฉลีย่ยเฉลี่ยไปหาคนอื่นหมดเลยเรียกว่าแบ่งปันได้อะนะไม่ไม่เราไม่รวบรับเอาแต่ผู้เดียวไม่แล้วปกติมีถ้อยคําที่อ่อนโยนคําพูดเขาไม่หยาบเนี่ยนะหมายว่าหายากที่จะหาคนที่มีน้ำใจเรียกว่าเสียงอ่อนโยนถ้อยคําคําพูดอ่อนโยนไพเราะขนาดนี้ก็หายาก แล้วก็เป็นปเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยนะคือเป็นคนที่ไม่ไม่ยะโสโอหงอัง น, นะตรงกันข้ามกับยะโสโอหังเพราะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ต่อไปเป็นคนนุ่มนวลคือไม่เป็นคนกระด้างะนะตรงกันข้ามกับไม่มีความกระด้างอะไรเลยแล้วก็ไม่มีนิสัยโอ้อวดไม่โอ้อวดนะไม่โอ้อวดแล้วก็ไม่มีมานยาหรือมายาเนี่ยนะคือเป็นคนที่เปิดเผยตนตามเป็นจริงไม่ใช่ว่า ไม่ได้ดีเท่านั้นเนี่ยนะเขาก็พูดดีดีเกินจริงเนี่ยไม่มีท่านท่านจึงไม่มีมายาและที่สําคัญท่านถึงพร้อมด้วยความคิดที่ดีล้าเป็นคนที่ฉลาดกว่าคนในยุคนั้นทั้งหมดมานีแล้วก็มีเป็นคนที่มีเกียรติเกียรติแปลว่าชื่อเสียงเนี่ยนะเป็นคนดังคนหนึ่งละว่า ง, งั้นนะต่อไปเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาศิลปะวิชาความรู้ในยุคนั้นเนี่ยมโหสถเรียนจบหมดนั่นเป็นคนที่มีความรู้ขนาดนั้น แล้วต่อไปท่านสแสวงหาแต่ประโยชน์แก่ผู้เข้าไปอาศัยใครที่ไปเกี่ยวข้องกับท่านท่านมีความคิดว่าจะช่วยเขาได้อย่างไรนะจะมีแต่ใจที่จะสงเคราะห์เขาอย่างเดียวแล้วก็มโหสถนั้นเป็นที่ปรารถนาแห่งชนทั้งปวงทุกคนต้องการมโหสถหมดเลยและท่านเป็นคนมีทรัพย์เนี่ยนะนางนางอมาราเนี่ยนะถึงกับโดยพื้นฐานจะเนี่ยแต่รู้ว่ามโหสถเป็นคนมีทรัพย์เนี่ยนะจริงๆแล้วถึงจะพ่อะ ทำงานไม่กี่วันเนี่ยท่านได้หาได้พันหนึ่งแล้วแป๊บเดียวท่านหาได้หาสตังได้ง่ายมากเลยนะสำหรับมโมโหสถเนี่ยจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปมารู้เลยว่าเป็นคนมีทรัพย์มากแล้วก็ที่สำคัญมียศมียศก็คือบริวารยศพวกพ้องเนี่ยคนขนาดนี้เนี่ยพวกพ้องมากแน่นอนเพราะฉะนั้นขอถวายพระพรมโหสถบัณฑิต ป, ประกอบถึงพร้อมด้วยองค์28ปดนางอมรานั้นจึงคิดว่า ไม่ได้ชายอื่นผู้มาเกี่ยวเช่นกับมโหสถบัณฑิตนั้นก็ยังไม่ยอมทําชั่วถ้าจะกล่าวแล้วสามีตัวเองก็ดีที่สุดอยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปเอาคนอื่นทําไมพรันเหตุผลสามประการนี่แหละนางอมาราจียงไม่ทําชั่วเครียกว่าวไม่ไม่กบฏกับสามีหนึ่งไม่ได้ขณะที่จะทําบาปสองไม่มีที่รับพอจะทําบาปสามไม่มีใครดีกว่าสามีของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยนะ อันนี้เหตุผลพระเจ้ามเมรินก็ บ, บอกโอ้ดีจริงพระคุณเจ้านากเกษตรครับพระเจ้าเขายอมรับคำเฉลยตามที่กล่าวมานี้พระนากะเกษตรเนี่ยนะรู้จักโมโหสถบัณฑิตเป็นอย่างดีเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นความพิเศษถ้าเราไปอ่านโมโหสถเนี่ยนะอ่านโมโหสถบัณฑิตเนี่ยเราไม่แบ่งไม่สามารถแบ่งความดีของมโหสถบัณฑิตได้เลยว่าท่านดีอย่างไงบ้างก็รู้ว่าท่านคนดีคนเก่งคนฉลาดคนมีความสามารถรู้เขาเนี้ย แต่พระนาคเกษเนี่นะแบ่งคุณงามความดีเนี่ยนะว่ามโหสถมีองค์ยีสบแปประการอยู่ในตัว น, นะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่ในตัวยีสบแปประการเนี่ยนะฉันแสดงว่าพระนาคเสสนีน่ท่านมองภาพมโหสถได้อย่างชัดเจนพฤติกรรมทุกอย่างในวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยนะอันถ้าใครรู้องค์28ดของมโหสถกลับไปอ่านมโหสถบัณฑิตอีกน่าจะได้อะไรไม่ใช่น้อยเนี่ยนะ น่าจะได้ความรู้ความเข้าใจอีกุอย่างมากมายว่าเพราะปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยเลือดควรจะท่วมแผ่นดินท่านแก้ปัญหาว่าเลือดไม่ท่วมแผ่นดินได้เนี่ยนะเป็นเป็นเป็นผู้ที่แก้ปัญหาสงครามในบ้านเมืองได้อะนะจากเรื่องเลวร้ายทําให้เรื่องดีได้หมดเลยนะจากเหตุการณ์เลวร้ายท่านพลิกสถานการณ์เป็นเรื่องดีหมดเลยแทนที่จะมีการเข็นการฆ่ากลายเป็นเรื่องดีได้หมดเลยเนี่ยนะเรถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถจริงๆเนี่ยนะมันนางแล้วก็นางอมราเนี่ยนะซึ่ง อดีตชาติของพระนางยโสธราพิมพานั้นก็เป็นคนที่ถือว่ารู้จักนิสัยของของสามีของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างดีเพราะว่าไม่ได้คบกันมาชาติเดียวเนี่ยนะะ mm hmm. ที่จริงแล้วในในอัตถกาถาท่านก็บอกว่าโมโหสดบัณฑิตเนี่ยนะ mm hmm. คือพระพิโสท่านมานั่งสนทนากันว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ช่างมีปัญญามากแท้อย่างนั้นเนี่ยเชื่นชมปัญญาพระพุทธเจ้า พระองค์ก็บอกว่าพระองค์มีปัญญามากไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นนะอดีตพระองค์ก็มีปัญญามากก็เลยแสดงมโหสดบัณฑิตให้ฟัง